มาเฮื่อนหลังหนี่เป็นสีมีนมิดมีมีไม่ไงเฮ้ยจะมีคนอยู่บัวปังว่าแต่ว่าเข้า่าเฮื่อนหลังนี่มิแต่ผู้จบผู้ง่ามบัณฑิตจะควองเฮื่อนแห่งผู้จบผู้ง่ามขับกัยญาว่าสิอื่นใส่นา่งบนจักรพรรดก็ดวหานั่งกว่าท่านนอนสัมปชัญญากันนิกาเอ้ยกันนิกาเอ้ยเม่นอนหลับไปนอนนั่งนอสาปัะไปว่าสาวกันิกาสาวสีมาเห็นมโนหนุ่มมาสู่บ้านของตนเช่นนั้น จเรียกพันถามไปว่าเป็นเจ้าไหนเ น, นพีมานเอ้ยสิบปีลำเศร้าปีลําเห็นมะยทาทั้งที่จะเกืียดเห็นแต่ไปคุมเนื้อพอเห็นมาคุมใตบัดเดี่ยวนีมาต่างแห้งเทสพีมะนโอ้ยอ้าวกัดดีกาเอ้ยสิบต่างจใดน้องน้งนงางไอไปคุมเนื้อนั่นไอจะไปเลรีย น, น้าพวกน้ำมูไอามาคุมกลางไอก็ามาเล่นน้าลุ่งน้าป้า มาฝุ่มเต่ก็มาหาเล่นแป้นเห่นสู่หาล่างเถ้าบุญทรง อ, อยู่พ่อได้ยื่งย่องจังสันละกัรน จังไหรคือว่ามีผู้บา่าวผู้เท่วมาติมเพื่อนติดสร้างอยู่แถละนางโอ้ยมีมากกะจิง่ดอกพีมนันโนบแต่ว่าปรถึงสเปิกั น, นิกาจะผูจะค้นดอกพีมัโนผันแมนปอบกกะดกาเอ้ยเป็นภาสาวผู้ดีบอมีสู่ทอดลนี่ซิโอกแตกไ ต, ต้ตัวตาแหงบอมมีโผบักเ่าเมืองบานสีลมหลวงขั้นบอมมีเครื่อเกี่ยวสมะย่อยยำยางลนางเอ้ยขั่นตะลังบวกข่วงสมะได้ลำกล้วยหลักกะนี้กา พีมาน้บเลยพี่จะแบบไปตัวหลายกันนิกาคำว่าปัจจัยดอกอันมามือนี้แม่นมากอย่งกอดีมานอบม้าเดือกขึ้นยังขึ้ น, น ท, ทีละที อ, อยากพูดว่าไอ้มากยังหลับตาตีมากหมดนี่พี่มากยังเดือดเถิดจังสีดอกกันนิกาเอ้ยคือวันนี้เดี๋ยวนี้อ ย, อยากจับสวนหมอนม้ซ่อนใส่สวนมีอยากจับสวนหมักมีมาาสอนปลาขนุนจังสันละกันนิกาเจ้าสิวาจังไหร่ละนั่งเอ้ย มันอย่างน้อสวนแบบนีซสอนปลาสวนสนุนกันนีกาบ่าเขาใจดอกพีมาโน่เฝ้าซับหนาซับดังอยู่กันนีกาบ่าเป็นขนสลัดปนน้เดี๋ยวพีมาโน่หาเฝ้บ้าเขาใจเสือไเห็ดจังไบไอกะเฝ้าซูฟังคาบละตัวเอาพีมาโน่ก็ว่าเป็นเชียงเง้วๆให้อกันิกาฟังเฝ้าออกมัดัดสเปนตัวพีมาโน่ยังให้อเ้าเงเก่งเปียนเปลี่ยนซูฟังวัดสลัดทองสลัพีมาโน่เอาระสัตวกันั่งฟังถ้ายอสือเฝ้าซูฟัง มีนาพ่อดาวเผยแสงจ้าดวงจันทราเผยแสง ดาวกามีแจกเจ้าผู้แผงสีซอยกัดนิกาผิวเปือกไผ่ที่สิเผยความในหากผิดใจยาคียาแทนแถมซทนสัมภียาสา สีขอเกี้ยวหนูบ่แบ่งทางเที่ยวโอ้ยส่วนทางไม่ควรจะต้องแยกเลยอมาเกีย ว, ว่าเขาเชี่ ย, วยนว่าแต่น้องนั่นเตียงไอสิยังกะบุงตาขาัดน้งไขทุกอย่าสิแเลนต่ำตองควายขั้นฐานน่งเป็นน้องไอสี่ขอเป็นหวย ป่วยไอสีขอเป็นน้ำแอียงขันนังหากขันนางแพ้ไอสีขัดเข้าสอดเอาคนเข่ามาก้าวออกนิดักยางแดดเพื่อผักสมเพราจมใจกับผักสาบแดดแจ้าผู้อาบน้ำบ่แล่ไอผู้เกล็ดตอมเจ้าผูบัว บ้อมไอ้พอเดีมือเด็ดสี่เสียเป็ดเสียหมูจากเพชรตูสิหาไว้ขอใส่ไสตัดหูทางบ่าขาวน้ำป่าสงลาบขออาบน้ำความหวยขอกินไกวว้าความบี เบิ้งคุมแทนเอาไปแทบมุนมาอังอีกเบิ้องเงี้มเจ้า ง, งูลาบ่เอาไปเป็นนายบ่เอาไปเป็นขี้คาเอาไปเป็นพันลายาเป็นไรน้องอีกเป็นแม่บ่เอาไปเป็นแคเอาไปเป็นผู้สางนางเสียบ่าวดังลือ้อ นะสมมติซื้อไอซีซื้อว่าซื้อซือจากหัวใจเอาททษไปละถาแป่งบัดแบ่งงานออกินเลี้ยงเอาเพียงหัวหรือเพียงชิวเอาเพียงตาหรือเพียงไหลถ้าเอาไหลเกินไปไอายก็สู้ว่ได้ขอแหงหน่อยนั่นจพอยพอนาเหลือ ความความว่าเอาดอกกะล้องเธอเจ้าผู้เตยน้ำภูมิย่าลายลุ่มล้วงลินเอาศาสตร์ศิล์เป็นคำเฝาเอาความจริงเป็นคำกล่าวนี่ล้านนอแม่นองสาวเหตุที่สา มาฟังเพลง กันลาโนบเอ้ยกันพีวแบบนั้นกันิกากระบอกคืนชัดตกพีมโนบเวลากันิกาสงสสยู่ข้ามียสนุพีมโนบเขาเป็นสงสัยเอะหลักันนิกาเอ้ยที่พีวะพีอยากไปน้องนี่ไปซอยเบิ่งพุ่มแข็ามพุ่มพะอินความพุ่มพปแข็งพ่งจะโย่เครื่องปั่นตึ้งสลัดตุ่มพีมโนบเจ้ากันนิการดเบิ่งนจ้านดึงจังสีบอกกันนิกาเพือจังวะใครอยากไปเจ้านี้ไปซอยเบิ่งพ่มแขมคือว่าดูใยเนียนเบริ่งของไาย เอาไปดูงูไรคือสมบัติที่มอยู่เพิ่น่าเปียดังงูมี่ตบิดไทยให้ม้วนเข่าเพื่อนพอมี่อาทีดีกับคือน้องมี่อาทีดีกับคือแมยบอเอาไปเป็นแฉคือทำก่อเหตุลายหาเหล่องเฮวุนหยจำซันละกันเนกาเอ้ยโอ้เอาขันทีว่าจงซันนองกร่ส่วนข้อใจละทีเอ้ยแต่เม่ได้สิมาขอจำคอยเราแต่ข้อที ให้ือตามค้องเถาโบราณเข้าสอนสั่งเพื่อจังเข้าบลืงช่ำเบาผู้เ่านั้นเกิดดนท่านจังสั้นกับคับขึ้นบั้นของพีมโนปไปสาธีมโนปไปว่าไปบอกเมียเลยพบว่าเมียไปบอกเมีพีมโนปเลอหลังจากเมื่อนายมานอบได้ตกลงกับหญิงสาวกันนิกาแลว้วเขาก็รีบไปที่บ้านของตนพอไปถึงบ้านของตนก็ออกเอ่ยเผยว่าจากกับมารดาของตนว่าแมีเยเลย แม่แม่นอนหลับลราไปน้องแม่เอ้ยเม่นผู้ใดน้อมาพบกำคำกำขึ้นแม่เหาะน้าซีเมนผู้ใดก็ลูกชส่เจ้าเนี่ตัวสัตว์มาพ่นสารบวดเน่ยบ่เห็นพุมาเจาก็ะไดอันจังใดจะมาพบแม่ย่ำคำย่ำขึ้นจังสีลูกล่าอันลูกมีข่าวดีมากบอกตัวแม่เป็นยังหละข่าวดีด้วยจังสีดอกแม่ในตอนนี้ผมสีเอาเมียสอนมานอนพื่อนซอยเลียงแม่จังสันหละครับโอซีเอาเมียแม่ไปหาไดล่ะตีลูกล่ะ กบได้หาได้แล้วแต่ว่าไปไม้ใบซ้ซื้อ่มาบซื้อซื้อเดยท่างใดล่ะลูกท่อ้าวนั่งนันโบโจบูงงามเท็ด้นั่งนันอยู่คงไตมีน้ำวากันิกาซันด้มีนวากันิกาครับมันลูกู้ใดล่ะลูกหลาอ้าวกันิกานั่นกัลูกเทาสีเทาสาพอเมตแต่ย่างหน่อยเน็ดี้เทาสีเทาสามนแล้วตแต่ย่งหน่อยเลูกหล่างเป็นจันไหลลูกหลาอ้าวลูกหล่างเป็นจันไดลท่านสมัยเท็ด้เม จังไดท่านสมัยนันบอกให้แม่ฟังเบืงองอนดูเอาผมทัางหนาค้องนั่นเป็นสีแดงพร้อมคนตัวพอได้ยอมเอาถุงตัวเสือเอกเส้าเสเอาที่มาเส้าจังไดแม่เลยพอถือขอดีแท้อันพูนยิ่งผมทั้งหนาแดงๆเป็นเชิงซาพอถือขอดิแม่มันพิดเห็ดพิดพ่องตัพว่าพิดเี็ดจังไดพว่าพูยิ่งผมจิกหนานปากแปป๋ขบั่บ่มันขำโกว่าอยู่ในตัวพลว่า ่อยมากเขานแม่เอ้ยสี่ขาโกยู่ในยู่ในหนอกกระซังล่ะแม่กรย้อนว่าค่อยมากกระอืนเจ้าไปขอไปสู้ให้สันเดย์ไปขอสันติจังสั้นล่ะครับพุทนแม่ะหูบอผู้ยิ่งยีผู้ยิ่งผู้นิ่มันมันเป็นผู้ยิ่งม่านศาสนาตะกลล่ะเอ้จก็จะจีถือแต่หีบแต่ข้าโบราณไรแม่เอ้ยบอแบแ่เอาแม่บไปขอให้โดดิค่ะ เป็นยังคือสีโเปขอให้ลูกให้เต่าก็บอกว่าเบิดูเมรเสือเมร์ทะลุล่ะจะไปเอาถอาภูม่สารเอาเสยเอาผูไม่มจังได้เราแมนผูไดสีมาเอาข่อ ย, อยจะหนีแห้งบ่เราแห้งบ่ปากเนาะเจ้าก็ะไดอ่ะเขาบอกว่าเม่ามากเม่ามาก่คยจะหายลวเด้อเม่เด้อกั<ห>อย่งวาข่ อ, ขอยมาค้นคนนี้กัย่างวาห่วยมัดจังหนึ่งเตกีตุเจ้าผัดวาคือสีโบหายบูดาเมร์บันนี่คือมาหายบูดาเมร์่ะอ้าวเมรเอ้ย จะกะฟังเพิ่มไข่เบาเนี่เป็นอย่างไข่มากคนนีก่หักคนนีกไปเอาน้ำข่เน่ยไปสูไปขอไข่ไข่เงินข่ดอกสีเป็นนจกใสหันน้อยไหเศเ้าโบแตงจังไรมกับนนบแตงเมบไปขอไข้โดยเด็ดขาดตัวหลบหลสร้างสีบไปขอไหแต่มเอ้ยมจะมีเหตุมีผลอีย่างจะสิบบไปขอไห่บอกว่าเบิร์ก่อนดูมเมน่ เป็นไทยนี่นาบากันนิกาไม่ใช่อื่น่ะดีดามันดานั่งได้เท้าตายนนไปแล้วนั่งกะเทวอยู่นั่นแล้วทั้งผมแดงทั้งหน้าผากปากเป๊ะๆทั้งบั่บํา ม, มันทำกูว่าอยู่ไหนน่ะละมาโนเบิ ขอห้าไมไว้เอาผู้ไม่ทอนอ้ามนะย่านมันทำกันั้นสิบบ่พอเอาย้อนเบลอรลนสอนเตือนไว้ให้ผมแดงทั้งหน้าภากเพิ่นน่านันฝากไว้เป็นหญิงมังส า, านาะ ลาเสว่าจินจิกนาบอเป็นยาเอาขันหวัวเมื่อลามันสีบอกบอฟังควมนาลาพิดจารีดเห็ดบานจะเอาททอนี่แม่คอนนาอันสันสร์ไม่ออกผู้ใดบ่าเอาเสาเบียนลูกเมือปลกเงินคว่มจอมพนปวกสีดันนั้นเพื่อน ลาแนวหินพื้นแม่นไม่แหงย่าเอาไม่เป็นเป็ น, ปนมากก่อให้เฝ้าจูดลาพิสูจน์ดกกระได้ทั้งสิ่หม้ยาสิฟปันเนะลาอันที่วังน้ำจำบอกวันแกปวดจะลุ โซเสี้ยวใบสันขอนลองลองก็ผิดเปล่านะลาแนวคนกินนั่นแม่นเขอายาเอาดินมาเคียวมม อ, อันอาบน้ำกราบเกลือกตุมอันไหกายศาสต์เกี่ยงอดน้องเบาเบิงกอน น, นนะลาเพิ่นหามหวมค้นบา ก, กบอย่าตอบค้นม า, านาะ ล่ายาเสาคนแอวมาแอลกินคันปาย่างเงียนะลาเดินเที่ยวทางต้องดูเสีนเสียวเมียต้องดูหางนะลาสิเบิ้งสั่งต้องเบิ้ง่างนะสิเบิ้งนา้งต้องเบิ้งแม่ให้ถึงมองขันปองคนูนนะ บางคนนั้นขว่าวาอวนไงบ่อถือทหารเป็นโลกํมือนะลาเพียงเต้นว่าใจมากสีแดงตามบ่อทันใด้ะละไม่ก็มีไม่หน่อยไม่เลยฟองสาวลืบลาคืบดูตูด ก, กับศอกนั้นอันใดแทดอกสันนมเนะ ให้แม่อมกอนต่อเท้ายาเ่าดวนไว้วลายเอาเมียผิดคิดจนตายภาคขยายโบราณล่าเสือว่าเอาอเมียนั่นบนน่แม่นแล้วเอาเล่นสองสามวันเล้วงกายละาหน่อยกะลูกเกิดมาแม่นจังไดยกะต้องหมนต้นป่อยไฟภูมิหนา ลาเพิ่นวบาพ้นนาเนื้อใจเสือไงกะเหลือโคบแม่เลี้ยงจบพ่อเฮงจังได้แปลงปุ่นตานเสือโบล้านลองดูนาเสือมันดาลองดูเน่คันลูกเสือโนคำแม่บอมีวันเสียตำโต้โลกูกยหน้อย เอาผู้ไม่สนลาเมียบาอ้าวมากผู้นี่ไม่ผู้นีไปแล้วสิไปหาเอาผู้ไม้จังใดจะหนีแม่เอ้ยกัแม่บอกเราตัวบางหันเจา้าคือโฟังเอาสนหลกล่าเออมันกับเมยนุหันลเจ้าอันสุมผู้เถ่าผู้โถสุมโบลำโบลาเม่เกิดก่อนเจ้าแม่ยหู ด, ดีเจ้าจะเถียงแมหลคำ้ำอ้าวเกิดก้อนไข่ก็ใสแค่โบลำโบล้านเดี๋ยวนี่มันซีจีหาจีแหละเด้อเมีเด้อจังใดก่อมันซีจีหจีแล้ะตัวสุ่มมือนี่เจ้าก็ไปขอให้ไข่เมีย บอบอเมยบอขอจ้างไดนเม่กับบอขอแมนซีเอารถไถเอารถดำเอารถเบนมาเกะเมย์ม่กับบไปดอกลูกหล่าเมยครับว่าวันมันวันน้อเมยน้ออันเว้าวันนี้นี่บอไปขอให้ลูกว่าสันคอบอขอเอาสร้างว่าแต่เมบอดี้ตัวลูกที่เมยบอกว่ายิ่งผู้นี่ยิ่งบางศาสนาตลุล่าแม่บออยากให้เอาเอามาแล้วมัากาซีเถียงกันตลุล่า อจังสีเดเมเด้ออ <Men. S 1> no ๋อจังได้เมนเจ้าบ่หากบ่มากรนั่มเมนบ่ไปนั่งตายอยู่นี่แหละแถววิบปอสายวาสีบดามแต่กี่แต่ก่อนเจ้าลืมไปละลูกละอ๋อก็ะแมนตัวดั่งแต่กี่แต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้มันว่าเมนตกี้แต่ก่อนเผื่อกะยังบอกเจ้าเล้ยหันเดเมร์หันหลาคําสอนเมรจากบ่เสือบ่ฟังพอเจ้าตองมาบ่พอตองมาบดอกเมรเอ้ยซาไปขอเมียหาซื้อกะยังบ่อยากไปยู่งน้เจ้าได้ ตั้งไรเมกแต่ไปก็ไปแทะลวาวัตตินั่งยุนีแหละว่าไปส่คักๆมาจว่ไปกะนั่งตายยุนีแล้วเจ้าขนาดบัตรตกล่กาวว่าจังสันถลกปุหนก็สิว่าจังสี่ตัวจะบ่ไปให้ฝอยนอถลกเท่เราพี่เอาสร้างว่าเถบัดทันสร้างว่าตดาเมอเอากับ่าเดากระบอกเจ้ากระบอฟังค่ำข่อยนเมะเจ้มะบอกว่ายิ่งผู้นมั่นบอดีมัน่นบอดีเจ้าก็เสือฟังเมะในเมะอ๋ออันเมยใไงก็ยังติทากันโกันแล้วก็ว่าสู้ข่อยในเป็นอย่างว่าอวยข่อย แม่เอ้ยไปขอให้ผมถอดบอ่่ไปบอ่วไปเป็นเล็กแต่บอ่วไปเรายายแมนความข่อยวาบอ่บอ่วิ่งผมแดงท้งหนาเลปากเป๊ะๆค้ามบ่่มันำโกวอยู่ในใตัวพนวแม่เอ้ยแมนบ่ไปกรั่งเจ้าชาบ่ไปจะไมหาลับานอนสไปไปจะมาเบา อ, อย่างหลายยูนีไปเจ้าซไปใส่พอก็สซีไปหาลิมมข่อยนตนอ่เล่นใสอ้าวเล่นใส่กระซีหนักยังน้าบัทานี คือบอหาลับหาหนอนมันเดือมันเดินแล้วอ่ะมันก็เรื่องคองไข่ตัวแต่ได้่ข่อบอกเจ้าก็ยังมาฟังควบไข่อเนาะจะสมมว่าบอกข่อที่อย่างบัตตานี้เอาก็แม่บอกลูกก็ต้องฟังสั่งตัวอลูกบอกแม่ก็ต้องฟังพึ่งกันทันละแต่เจ้าจี้เจ้าเลี้ยงข่อยมากเมนบอเจ้ า, จาเท่ามาก่อยก็เลี้ยงเจ้าถ้าไข่บนขุนจะจะเดิเนไหนถ้าไข่เป็นเด็กน้อยเจ้าก็สร่างกระสอนข่อย คยเยบมาแล้วผมก็ต้องสร้างส่วนเจ้าขึ้นกักตัวเมยกับยังบอกว่านิ่งผู้นี่มั่นบ่ดีเมย์บ่อยากให้เอาให้เจ้าไปหาเอาผู้ใหม่มีพอดีกับฟังควบข่อยพิดเป็นอย่างจริงสี่ฟังควบจะจะของหลายส่วนข่อยหลายเจ้าหนึ่นส่นสมือสวิตเอาโหลดผู้ใดก็ดีเมื่ทันลาเจ้สิเบ้าไปหลายสะหรอกเมื่อไปคักแทะละวัดจี้่ไปคักแทะละเม่ไปก็นั่งอยุ่นี่แล้วเจ้าันฮะหลังจากเมื่อนายมานบได้ด่ามารดาของตนอย่างไม่ปาะนีแล้ว เขาก็รียกลับไปที่บ้านของหญิงสาวกัก น, น, นิกากั น, าา น, า น, านิกาเอ้ยกันนิกานั่งหลานอนไปเนากันิกาเอ้ยน้าแม่นเสียงผู้ใดอีกเนะแนี้เาะแม่นเสียงผู้ใดก็ฟอนครอบมะเบิงเนียงอันที่มานบตัวนั้น่ะพี่อาคืนมาทั้งแยงท้งันพีมาพีกันิกาเอ้ยเปลี่ยนทัไหนนะพีไปขอแม่พีแพีเมื่มานพีสิวาสู้ฟังอันแม่แล้วยืเหื่นนันแล้ววาเรบเห็นพรหมย่อมตบน้ำเทาวาัน เล้าวาพอหยเอายิ่งผมจินซิกนาผมแดงทั้งหน้าผ่าปากแปแ ป, แปักบั่บัากพาดอยู่นนเป็นยิง่งมักแมียผัวเป็นยิ่งมั่ศาสนาฝนตัวเป็นวาเพชรจังไดหลังเฮาจังสีอยูน่น้กากันกันนิกาเออี๊ม่พี ว, วันบมาพีวันวัวกันนิกาจังสันเลสพีวันบรแาวก็ว่าจังสันละนอแม่พีคือสางโวดสางโคตรเทปเป็นย่งก็เปลียนพร้อมย้อมแต้มน้าทีจากหลักันิกาเออถ้าแมไอวาจังสันโจดีวาจังไดนลักันิกา ทนมธีวาดังสั่นกนิกาก็บอเห็นพร้อมยอมตามพฤกละพีมโนปลงจากเงาจากันกนิกาไตโรย่าขึ้นมาอยู่ตรงงาั่นกนิกาเถาะกนิกาบลาพฤกษัเนี่ยอ้าวกันนิกาเอ้ยอบ่าหักบะมากสัตัวจังดมาอยู่นําป่านนี่ถ้าแม่นไอบหักบะมากนองไอกระบอกมาป่านนี่ดอกกันนิกาเอ้ย เท้านำตาเอาน้ำลายเติมปบาใหญ่เก่าว่าเผาโูมออกอุบายขายเข่าตุมอมความเขียดไว้ใน อย่าที่อีออจึงทํคผหลอกหลอกลวงให้ใยหงุดหงิจาจ I'm n the sun, I'm i u